ใจสีเดิมไม่ติสีประราดถึนจะชมมีกบไปจุดในี้ถึล้วสักกาหลวงาครับอ๋อไม่เห็นนานแล้วันจะวหวดีอยู่ครับผมอันนี้ว่าจะไปวัดวัดพุทธปตรที่พุทธบุรัี แล้ววะพอเจ้าคุณไปแต่ปีนู่นสองปีปีนี้ก็ปีที่สามแล้ว <c oughs> กวารของหัวไม่ค่อยดีคงจะหัวก็หนักไปเรื่อยๆเลยดูตา <c oughs> มีโยมไปเยอะล่ะ ร, รถพอกันไหมพอเจ้จาค่ะจัดให้พอเรียบร้อยหมดรถทางดอกไม้ได้หรื อ, อยังละ่ะเก็บเลยหรอ่ อ่อเก็บดอกไม้ก้อกนแต่ถึงนู่นเราไม่ต้องไปเก็บปลานนู่นจ้าเก็บดอกไม้ที่นี่บานอยู่ตรงนั้นแหละทีกขันอยู่ตรงนั้นดอกไม้ออกไปดีชา แข่งมู่ว่านเมาอกลับนะคะจะไปที่สตอปที่นิมาร์มาบอผมย่างผมย่างก่นน้าแข่ว่านไหมผมแข่าแรงว่าน แจคที่มาเยนบ้า น, หนไหมว่าจะมาใ <sm all> ส่บาทมาป่ะม่ไม่เห็นม<ๆ>่นกลูกเห็นว่า <c oughs> จะไปเอาพี่น้องมาใส่บาทโอท้แกมาพี่น้องมาอยู่ีคได้ใส่บาทหมล่ะยอมโจมทิพว่าจะมาใส่บาท มีน like so so so ้องสาวเามาครับเหมแฟนอย่างเงี้ยครับใส่ยีนาบนแล้วกตเลวใส่การนัดก็มาใส่ตรงนี้อีกก็ได้ยุใส่ไม่ชาเนี่ครับเ่อใสตรงนู้นได้ครัใส่ตรงนี้อีกเพราะว่าหลวงพ่อบินข้างนอกด้วยบินข้างในด้วยป้องกันเพื่อคนที่มาสาย ถ้าไม่บินที่นี่คนมาสายไม่ใส่บาทเดี๋ยวก็จะไม่สบายใจอีกมาทั้งไหนก็ไม่ได้ใส่หัวหน้าแต่ว่า ยคุ้าคาะอี่ที่ยังว่าใหม่ก็มีอยู่ที่ารนันัาใหม่ก็มีอยู่เริ่มเข้าไปไรก็ดีหมดแหละ เ <c oughs> ท่าไรก็ดีหมดอ่ะเฉพาะดอกไม้นี่ไม่ได้เสียหายแล้วน้ำค้าไปสองร้อยก็ได้ยกบ้านเราก็ได้หลายบาทอยู่ยี่สินของไทยของอะไรไปนี่ในหลักขา <c oughs> ใส่ซองเราใส่ตะลามังเอาซองมันของปิดบังแกไปหาปิดบังทาอะไรปิดปิดบงบังเขาทไม่เปิดเผยใส่องเราใส่ซองเรขเขียนมไปายพระแล้วใเราไปใส่ไนุ่นแล้วาย่อา่ซองทานทำซองไยบ เป็นบาปเป็นกรรมเสียค่าซองอีกโหลหนึ่งเท่าไหร่ไม่เป็นขยะอีกเป็นภาะอีกค่าจ้างเอาขยะไปทิ้งอีกมัดลุงเป็นยังไงทำอาหารกับหมั่นกันเอาพลาสติกไปข้อไปเปียกไปอีกถันกันจากอีก มากคือมากคือไว้เป็นเท่าเป็นเท่าไรล่ะสา5ร้อยสามสิบห้าปอนดกับสามร้อยบาทจ้าางสา้อยโอ้แ่อะไรรูองนี่ก็หลวงพ่อก็มีสายมคตอีกมีอังสะไหมอีกมีไม่เกี่ยมฟันอีกนี่ราคาไม่ใจ่ฟันไม่หนึ่ง้ยบาทเิ อยู่เมืองไทยนี่สี่ไม้ห้าไม้ยี่สิบบาทแล้วทุกวันเดี๋ยวเขาไม่ใส่สีห้าอันแล้วใส่ไม้เดียวใส่ถุงพัาสติกเข้าไปอีกยังเป็นทับชินยี่สิบบาทแล้ววตานท้งกระทานงานตรงกว่าเห็นพระกรรมฐานใช่เท่าไหร่ก็ไม่ถามแล้วขอจัดให้ อยู่ไกลเป็นยังไงหรอมีขว้างใจอะไรไหมในทําบุญตอนเช้าแม่หรอใส่บาทค่ะในสวดมนต์แล้วอ่าใส่บาทจังไม่ได้ใส่ใส่บาทถุท้ายอีกนี่ตรงถุถ่ายข้างนอกใส่ถุดท้ายข้างในอีกมันมีข้างนอกข้างในบางท่านบางรูปไม่ได้ไปข้างนอกบางคนก็มาสาย การงานของคารวะจ้าจมมันได่เหมือนพระมันไปใช่การงานอย่างเดียวพระการงานอย่างเดียวคือนั่งสมาธิภาวนากำหนดเวลาไหนก็ได้เ่็นญาตโยมเดี๋ยวก็คนนั่นพทมาคนนี้โทรมาเดี๋ยวกัเรื่อง น, นั่นเดี๋ยวก็เรื่อง น, นี้บางทีงานเร่ ง, งก็ลืมไปก็มี แต่าะฉนั้นฝรั่งเขาก็าลูกกุ้งแซ่หอเร็มทำไอเห็นแต่ไปบินตาบาทที่นูริจยได้เอาไข่เดืบใส่บาททีของรร <c oughs> ขอิตาลีผมไปหาเห็ดจินเองที่อุ้ยยากข้าวปฏิวัตินี่เขาก็ไม่เวลาทาเอาเอาไปต้มจินเอาแต่ว่านั่นก็ลายดีใจแล้วที่เขาดปีตาแครนั่นคนดีใจแล้ว ไม่ได้จะไปไปบินตาบาดเอาของนี่ไปบินตาบาดเอาคนอย่างน้อยที่สุดเขาโผหน้ามาดูกดดีใจแล้วอันนี้คือพวกอะไรนา่นเข้านั่นเข้าก็าเห็นบ่อยๆตรงจีกไปถามดูก็น่าไม่ได้ถามอยู่นถนนม น, นทา่างก็เป็นนีสถานที่ไปถามมึงบ้านพระเจ้ามึงก็น่าพระเจ้าเห็นนี่อย่างว่าไป น, นั่นวิธีพระพุเจ้าไปโปรดญาติโยมนี่ ไปรังปักใต้คนเขาไม่ได้จักเลยผู้หลักผู้ใหญ่เออเด็กๆน้อยเขามาใส่บาทเอาขนมมาล่อมันลอดาาเลยนี่เพื่อให้มันจงพอจงแม่มมนใส่บาทนี่เอาคนนี้หวยแป่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เอาตามใจตนเองไม่ใช่ไปเทศเจียงอย่างเดียวนะปฏิปทาคุริยามรารยาทการยืนเดินนั่งนอน ทรงสังรวมไปด้วยคมสังรวมไม่ได้ไปโลเลโลกเลขหานูน่นหานี่ดูนูน่นดูนี่ให้รว <c oughs> มศรัทธาของผู้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาสังรวมสังรวมกายสมัิระวังเรื่องตาให้มีตาทอดอยู่สองสามศอกก็นันเดินไป คงที่หลังก็บังเท้าพุ่งสนองพุไปทั้งหน้าบาเธอน้าบานนั่นบานนี่เด้ั <c oughs> งรวมนไปาานทั้งไปหบบ ย, ยบคุบบาจานเ็นี่ไหนล่ะบราเธอเขาใส่เขาขอน้บาตะก้อนหนุ่ยีบยบขีกล้ปนตัวนี่จะท่มืงินี่ล่ะบางคนมีใกล้หลายที่ตะกอจีตะก้อนหนุย่ยาีหยบจีไกล้ <C oughs> โอ้ลบโบเหม็นมัดมือเตาคําตัว <C oughs> จึงเป็นฟองเห็นถึงช่วงกายพระเจ้าเวตทั้งเหตทั้งร่วมแล้วก็ตึงงามต <c oughs> ตาหูเสียงอะไรควรฟังเสียงอะไรไม่ควรฟังแล <c oughs> ไ, ได้ยินดีลูกเสียงกินรอดโดยเจพาะลูกต้องข้ามเลยมันร่อนสุดลูก ตรงกันข้ามเสียงรอนที่สุดเสียงเพศตรงกันท้ามเนีบาอยู่นอกวคระดิกคุจกักนี่แของเสียงผ น, นั้นผู้นุ้มผู้เท่าสัรช า, าตญาณของกลียดันเป็นรกันของไก่คนยางเล็กน้อยอายุตอนนั้นตันนวนี้นวณถือตัว่กินะคือการรอดอย่างละ่ะกบว่าเนัตรตขตรงขนขอรถ <c oughs> สมหากษัตริ์ถามหลวงปู่ไปจันรหนากหลวงปู่หนากแต่ก่อนเนยวดอะไร่อยที่สุดเนื้อกิ่มเนื้อเน่เ น, นั่นหรือ <c oughs> เป็นอย่งไรทุกวัน้านอาหารไม่ต้องกินสิเศษหรือว่าได้กินข้าวตัวหล่อให้เข้าใจพิธีกรรมมาวัดมาทำบุญให้สงบ สงบทั้งนอกทั้งงบทัางในโดยเฉพาะมาฝึกหัดผู้อยู่ประจําต้องเข้าใจคําว่าสงบกายผมตั้งถามอยู่เมื่อวานผมสุขบุญเคยหยังกุม้มบุญเป็นตั้งไหนนั่นเห็นแบบผมค่อยๆรู้บุญเน๊ะ <c oughs> ขอให้ร่ํำรวยกับสวยงามบุญอยู่กับร่ำรวยสวยงามนั่นบุญโลกียะไม่ใช่บุญโลกุตระ ความสุขแบบโลกิยะมันไม่ถาวรด้วยแล้วเอาไปด้วยได้ไหมละ่ะเผาทิ้งหมดเนี่ยผมขนเล็บไม่ใช่ว่าจะตูปัจจัยเขาใส่ปากให้ไอเจ็บดูเขาก็ับข อ, ขอขึ้นมาอีกได้ไปตรงไหนหาแทบล้มแทบตายที่ผู้ที่ได้รับคือใจใจมันตายไม่เป็น นถ้าเชื่อคำสอนของพูทเจ้านะต้องมีกายกับมีใจพูทเจ้าหาสินหาธรรมมไม่ใช่สอนพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่ใช่สอนในตระกูลของพระมหากษัตริย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่ใช่สอนเฉพาะประเทศอินเดียเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทัง้งหลายเป็นครูของโลกพระราชาบิดาสุดท้ายรู้จักว่า ลูกเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั่วโลกคุณคู่ของโล ก, กค่อยมีจิตสธาตสุดท้ายไปนู่นแรกๆก็มีแต่เพ่งโทษลูกไปหาขอทานจาก น, น, นู่นจากนี้สมกับชื่อว่าเป็นลูกพระมหากระตับจาก น, น, นู่นจากนี้สิดไปเขายังไม่เข้าใจหลักแกมแท้ของพระพุทธเจ้านะตังเวลาหุ่นไปขอทรัพย์สมบัติบวชให้อีก ผู้หลานตนัวไหนจะให้เป็นแทน <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าจะให้เป็นกระสับจะออกบวชหรอกจะหายากอีกอเขาไปบวชหมดเลยอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเขาไปด้วยไม่ได้ให้อริยทรัพย์ภายในดีกว่าน่นเห็นว่ <c oughs> ใจมันตายไม่เป็นนั่นแหะบุญก็อยู่กับความสุขของใจทั้งขาทั้งกายสุขตรงไหน ไม่ได้ยินหรือเสียงพระพุทธเจ้าร่องอยู่ในหัวใจอะ่ะทำใจของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้ถ้ารู้ร่ลำรวยสวยงามเป็นนรกก็รู้บุญนะถ้ารู้บุญก็รู้ว่าร่ารวยสวยงามเป็นนรกก็เป็นบาปทีนรกทุกอื่นยิ่งกว่าคมสงบไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตัดไปแล้วนะ่ะเห็นไหมดูจากไว้ความสงบทีเนีย ทางงอบภายนอกก็อยู่สถานที่อย่างนี้ทางงอบภายนอกนะทางงอบภายในคือใจของเรามันไม่กระเพื่อมจะดูได้ดดยินนี่เลียมรสได้สัมผัสไม่ก็เพื่มไม่ไปยุ่งไนะ <c oughs> มีแต่ของยุ่งมีแต่ของวนวายไม่ทําให้เกลียดหนาปัญญาหยาบก็ห่างไกลถึงตัวถึ ง, ถง ไ, ไปยุ่งทําไมรั่ววนวายเสียงวุนวาย ไม่อยากเห็นคนทีน่ยันได้ว่าคน้นเรียปฏิบัติ ว, ว่าวนพพุทธเจ้าคําเดียวถนนไม่มีปัญหาว่าเขาคน้นจะสิ้นสุดบ้โลกนี้ไม่สิ้นสุดน่นเห็นไหล่ะบ้านเฮาบุ่นหว้กันก็เพราะเอาต่ควมโกะาะควมโกะ ม, มันเราพิดกันแล้วมาคิดคำโบราณพูดคำไหนไม่แต่เรื่องสิ่เรื่องธรรมรักว่าให้พูกลักโลกเคยตี ทวั น, นตีว่ได้นัวมานอนบ้านติดมูติ ด, ตดยาบ้าไปทกติดทแดดฮัหกหลายมันวันใครได้หินเพราะว่าคนสุดทไทยก็ดึงผาดึงแม่ลูกหมอนรลลบกันกมดลเจาพอไปฮักหลายแล้วคำของโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกหให้ตีเมื่อมีมั่วคือตะเก่าแล้ว <c oughs> กันบ่ผูกเวยก็ไปกินของเขามัาก็ลำบากเสียมาห้องเกี่วของมันตุบนะรูปกันบ่ตีบ่บอกสอนบ่อะไรก็ตีก็ลาบก็เชื่อัือตันเดี๋ยวก็จำใจามใจขนทุนไทยก็เอาไปหายขนไปหายรถขายเนี่ยขาแห้งขาไร่การขาไรใจพุทเถาพูดแก่คนตุกคนหนักเอาใจลงไปถึงคนกีกขาด ก็เป็นนางงอมืงอมง้อเท่าเอาไต่เินเงินรัฐบาลแต่แล้วว่เงินรัฐบาลนี่สินภาษีก็ประชาชนหนแล้วเจ็บภาษีหมดแล้ว็น mm hmm. ว่าเหตเดียวคุูพ่อแม่คูบาอาจารย์รัตกรว่าเนื้ว่ า, วามันคนขีดขานไปรนเดี๋ดีขอให้มีน้ำหน่ยผันน้ำข ม, ม่ามึงรู้เหรอวีธีแห่งแรกนตนุกขโมยกันกินขากันจินยังกันกินแน่แล้ว ว่าโอต่างหากแต่แนวอื่นแนวพวกเป็นประโยชน์ผ่านมาเราคือเจ้าขี้ขันนั่งกอดเขายัางอันที่อ่าเมื่อกี้ไม่อยากหาผมผมม่เห็นมันไดขุดแต่ขุดวันไหนไปเลยพัฒนามาเจาะาน้ำบาดาลผมไม่ยุ่ในทอทอยู่งในขี้ดินลายเป็นไห น, นบุญมาด้วยคุดทอเจาะน้ําันได ไปหาทำขุดซากเหรอขุดซากตึกประเทศต่าวัดพระกิสารหนูนี่ต้องจีนใต้ขุดออกขีววัดุงสูงขึ้นชุงสูงรก็ไปวัดเอาต้องจีดควายหมลงไปวไดใดก็เม็ดสิบเ็ดตอนนั้นพิจิตรเนี่ยฝนตกมาเอาขีดควายพังมถิมึงนม่หมดก็เอาไปดบวกขีดตรงควายนอนกับวัดด บส่งเสริมมาเห็ดของเก่าอย่านี้บัดนี่ต้องคุดของไม่ผนได้บัดกุดเสียตังหนันหันลงไปเได้กินบเรื่องผันมาเห็ด ท, ท่นเฮ็ดนี่ดีหล้ายเป็นยังแต่เห็นทางท่านเนี่ยพอแลมตั้งหลังซ่อมม้วนทา่าซ่อมถนนซ่อมถนนเอาอยางกตกไย สัปปหลพุตังไหัหลมาเฮ็ดป <c oughs> ุ่นน่วันนี้หวง่เจ้ามีว่าล่ะที่ลดทอนกันว่ามีรถเสียว่ะแตเมืม่อตัากรรมยังมลินถางงอนทาง้งมีรถกระเทือ น, <c oughs> น, นอว่านอกกัน <c oughs> อะไรแท่ก็บม่มีสิขาย ความมันถนนมนทางงานทกอ่ า, ก, อาก็ชเชี่ยเล้ยวที่แข้งกันมันสั่นมันึ่งพื้นตืนหรความสุขรอ้อนถ้าเป็นอยู่อย่างนี้จะวังความสุขประเทศไทยจะเกิดขึ้นศิลธรรมกรรมาโลกาพิณาตฟังของผู้เจ้านะ่ะศิลธรรมอยู่ในตู้ไหนจะสู้ศิลธรรมอยู่ในตัวไม่มีศิลธรรมอยู่ในตัวไม่มีคนในไทยก็มีแต่ น, นั้นมาปราบคดกงยิ่งคนป่าน่ะจะยิ่งเอาหลายยิ่งกงเอาหลาย ไอ้มือใหญ่สาวใหญ่สาวเอาจันปติโบัาิาเห็นบ่เป็นระดับมาได้บอกเรื่องผู้ยากผู้จนนะในเรื่อ ง, อ ง, <c oughs> <c oughs> งทำสมาธิภาวนาพรพุทธเจ้าหาสินะทำมาสอนคนถ้าคนทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สั่งสอนพระไตรปิฎกไม่ได้มีแล้วนี่พระพุทธเจ้าเห็นว่าต้องมีคนสนใจอยู่ วางกระไตรปิฎกไว้ให้พวกเราได้เห็นแล้วทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไปทำตามคนที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบุญไม่ดูบุญเลยไม่สอนไปสอนคนไม่สอนให้คนทำบุญสอนให้คนแต่ทานทานของบารุงกายทานศีลบุญต่องครบสามอย่าง <c oughs> ให้เข้าใจเนะี่ยคำสอนของพระเจ้าสอนง่ายไปวัดไปทําบุญไปวัดบุญช่วยกันส่งเสริมวัดวาศาสานาพุทธบริษัทสีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงไปวัดก็ส่งเสริมเน้นหนักความสงบมันไม่ถูกใจมันไม่ถึงใจไม่เข้าใจก็ยังยำ้ำไปวัด เอาสติ๊กเกอร์ไปพอปิดปากไว้ออกนอกวัดไปออกนอกวัดไปจ้องไปเบา้าหรืออดได้จริงๆออกนอกสาราถึงไปคุยกันไม่ท่องในหัวใจพูดมากสินขาดทำไมไม่ท่องเอาแต่ว่าทำบุญถ้าไม่ทำสินขาดแล้วเอาของมาสตววายพระให้พระยุ่งก็ว่าไปทำบุญ นั่นคนเราชอบยุ่งเข้าใจไหมบริษัทไปช่วยพระสงฆ์มี่แต่ส่งเสริมไปทางผิดๆเพี้ยนออกภรรษ า, าแห่ทูกแห่เทียนหาซื้อทูกซื้อเทียนมาหุดทูกหุดเทียนแข่งกัเนเข้าพรรษาแข่งทูกทแข่งเทียนไม่มีอะไรแข่งแข่งนางรัประมาทแข่งฟ้อนแข่งลูกปอกจากศีลแปดห้ามอะไรบ้าง แล้วจะขีแต่ตวา่าห้ามดูเขาคว้านลำธบคมปีดสีตีเปาร้องลำทำเพลงทำไมไปจ้างเขามาล่ะ ว, วัฒนธรรมวัฒนธรรมวัดเอาอย่างสอนวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามาเห็ุอย่งนั้นบัดอุ่นวนันูว่าวเป็ว่าไปเหตุสารากลาร์งเป็ว่าไปเหตุจตกเปลี่ยนเรื่องของโลกกิจะ ม, มาคุกขีท่ทำวัดทําไม นีอะไรกันราคาเท่าไหร่คิดดูจะมาทำสุ่มสี่ซุ่มห้านีแต่พากันทำบาปนั้นก็เลยเป็นประเพณีประเพณีประเพณีพุทธเจ้าเป็นยังนเหรอือทำไมไม่เอาจุนีิมัตพากันตรอนมีจีวัดประเทศไทยพระมีจีรูปไปที่ไหนชนแต่วัดชนแต่พระไม่ใช่ตำหนินะ เอาคำของพุทธเจ้ามาเตือนให้เชื่อพุทธเจ้าไม่เชื่อพระไม่เชื่อหนังสือตำราไม่เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่เชื่อที่เขาพาทรมาให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อพุทธเจ้าเลาขาดกันทำบุญไม่มีปัญญาเหตุผลถูกต้องกับเหตุผลถูกใจมันเป็นยังไงทานกับบุญเป็นยังไงเนี่ยเมื่อเวลาไม่รู้บุญเราไม่รู้บาป ว่าเราไม่ดูบุญไม่เห็นว่าไปวัดทําบุญหรือที่นี่จะไปเอาเรื่องโลกของในจะนําออกของนอกจะนําเข้านี่จะเรื่องเดิมๆนี่แหละรู้จักไหมของในอะไรล่ะรู้จัของนอกไปของเรื่องโลกโลกแก่นํานเข้าไปวัดอะไรบ้างเรื่องโลกโลกเข้าใจ <laughs> าไหมมีบุญเราก็ไม่เข้าใจหรอกมาจากไหนปัญญาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพระพุทธเจ้าจึงว่าอะไร ทำที่เราตถาคตในตัรรุ่ยากที่สาธัญชนคนธรรมดาจะทําได้เห็นไหมนั่งดูลมเข้าออกทําไม่ได้มันง่ายเกินไปสิฉันนั่งไม่ได้ไม่มีบุญนั่นฉันนั่งไม่ได้ฉันไม่ได้บวชพูดไปแล้วยังยังยังทังทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ยังไม่ได้นั่งนะต่อไปก่อนนดี๋ยวมานนั่นละ่ะรู้จักไหมตัวปยามาน สิ่งที่ทำไม่ได้คือยังไม่ทำพระเจ้าไม่ได้สอนทำไม่ทำได้ไปป่นไปกี้ไปฆ่าไปตีเกล็นจำทลา่เต็มไปหมดเขาทำอะไรพระเจ้าสอนอย่างนั้นเหรอมึงไทยมึงพวดมึงไทยมึงพูดน่าละอายไหมล้อปอแปง้งบีบป้อนลอกกลวงต้มตุ๋นกันเอื้อหลพูดอลังจากบวบเ้าเนายหลานคนนั้นเห็นเด็กไปไดนกัยังบเบืว้านายกันเออเอ า, เอาล้อมไป คุกกี้ตีมออ่วงจเกิดจากตายเขเอาอย่าั้นนั่ น, น, นเพราะอะไรเพราะหน่าตระหนกทางเวทไม่เชื่อปกติเจ้าเพราะไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รู้จะได้เห็นยากไหมล่ะคําของพระเจ้าบอกยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะทําได้ยากนะที่ได้ ป, ปฏิบัติตามอวัดภา ว, วาตีสไม่มีเรื่องหุ่นวายคนหน้าก็ให้นี่ เป็นนี่นานาน ง, งานนนนงานนี่ใช่นี่นเวลาของมากกดดันจิตใจเป็นนี่เป็นนี่ก็ไม่ได้เรื่องเรื่องบุญก็ไม่ได้พูดอะรทีนี้แต่เรื่องโลกิยะเอาไปมากทาพิธีกำหนดกฎเกณฑ์ทาการนุกรนการนี้ปรุงแงปลงปรุงการปรุงงานขึ้นมาทำให้ทำยังไงจะได้ใช่นี่ปลดนี่ละทีนี้ ไม่ใช่ของง่ายนะกลัวจะมีวัดไม่ใช่ของง่ายนะกลัวจะได้มีพระเวลานักดุกุศลกนัญมรรานดัติพี่น้องได้เขนสลัาทำทานก็ดีัตาตินหรือจนเมตตาภาวนะสมาธิภาวนาก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลเถนนี้จงปกป้องปกปักรักษาอกตมรรคฐานดัตพี่น้อง ตงนีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุ ก, ก, กข์โศกภัยทํางานถึงใด็เงินถึงไดพัฒนาถึงหนึ่งอะไรก็จงสมเด็จจง ส, งสาาำำําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงใจได้เห็นศีลเห็นธรรมในภพชาต <c oughs> ินี้เถิดท่านนักต่อว่าสาธุที่กรกะยุนใน ห, หัวค้อ ดูแบบแพ้ง่ายนังแสงจอมแสงดาเป็นยิ่งฝากทงไฮตรงหน้าบอกยากว่าเราเป็นเรื่องสิ่ น, นำธรร